สิกขาบทที่10ว่าด้การบวชให้สิกขามานาที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเรื่องภิกษุณีทุลนันธา 1,162 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศษฐีเขตกรุงสวสัีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาบวชให้สิกขามานาผู้ที่มารดาบิดาบ้างสามีบ้างยังไม่ได้อนุญาต ต่อมามารดาบิดาบ้างสามีบ้างตําหนิประนามโพนธนาว่าชไนแม่เจ้าทุลนันธาจึงบวชให้สิกขามานาที่พวกเรายังไม่ได้อนุญาตเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านี้ตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าชไนแม่เจ้าทุลนันธาจึงบวชให้สิกขามานาที่มารดาบิดาบ้าง